มาปฏิบัติธรรมเสริมสติปัญญาความรู้ความสามารถในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มียในใจให้หมดสิ้นไปธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าคนฉลาดหาสติคนโง่าหาสตาง ทำไมคนชลาดถึงไม่หาหาสตางค์กันทำไมไปหาสติเพราะคนชลาดรู้ว่าสตางค์หรือทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้เช่นพระพุทธเจ้าครั้งที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ก็มีพระราชสมบัติ มากมายมีประสาทสามฤ ด, ดูมีบริษัทบริวารมาคอยรับใช้มาคอยดูแลมีสิ่งต่างๆไว้ให้ได้เส็ได้สัมผัสตลอดเวลาแต่พอวันหนึ่งได้ทรงเสด็จออกไปนอกพระราชวางัง เมื่ได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายจึงทราบว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปจึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่พระองค์ทรงมีไว้ไว้สลหรับการ ให้ความสุขต่างๆไว้การกาจัดความทุกข์ต่างๆทางร่างกายแต่ไม่สามารถมากาจัดความทุกข์ทางใจได้ไม่สามารถทำให้ใจมีความสุขก็เลยคิดว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่ใช่ทางสู่การดับทุกข์อย่างแน่นอน ก็เลยรงเห็นว่าทางที่จะทําให้ความทุกข์ภายในพระไทยของโมงนั้นหายไปได้หมดสิ้นไปได้ต้องเป็นทางของนักบวชพอวันที่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ได้เห็นนักบวช ด, ด้วยและทรงทราบว่านักบวชก็เป็นผู้แสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติการเจริญสตินี่ ทขงจึงสรละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชเพื่อไปหาสติทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองต่างๆที่เคยมีที่เคยหาอยู่ก็ยกให้กลอื่นไปให้หมดเพราะว่าไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ ทางใจของพระองค์ได้แล้หลังจากที่พระองค์ได้สารราชสมบัติได้ออกบวชแล้วก็ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการรักษาศีลของนักบวชให้สะอาดบริสุทธิ์จนสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้เวลาจิตเข้าเข้าสมาธิเข้าฌานได้โดยสย อำนาจของสติเป็นผู้คอยกากับควบคุมใจให้ระ ง, งับจากความคิดปรุงแต่งต่างๆพอใจหยุดคิดได้ใจเข้าสู่ควาสมสงบได้ความทุกข์ต่างๆที่พระ อ, องค์มีอยู่ก็หายไปชั่วคราวหายไปในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นแต่พอออกจากสมาธิมา ความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ของร่างกายความเจ็บไข้และความตายของร่างกายก็หวนกลับคืนมาอีกทำให้ความทุกข์หายได้แบบชั่วคราวคือการใช้สติคอยควบคุมไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถูกใจไว้กับกรรมฐานเช่น ดูลมหายใจเข้าออพอใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จดจ่ออยู่การดูลมหายใจเข้าออใจก็รวมเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบความทุกข์ที่มีอยู่หายไปแล้วก็เกิดความสุขอันมหัศจรรย์ใจที่ทรงตัดว่าสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์ไปซื้อข้าวของ<ม>ไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโทชพรชนิดต่างๆเมาเสเ็จมาสัมผัสความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายผ่านทางทรัพย์สู้ความสุขที่ได้ผ่านทางสติไม่ได้ นี่หละคือที่มาของคำว่านักบวชคนฉลาดจะหาสติคนโง่จะหาสตางคนไม่รู้เรื่องคุณค่าของสติก็เห็นว่ามีเงินทองเท่านั้นที่จะช่วยทำให้เขาอยู่อย่างมีความสุขช่วยดับความทุกข์ที่เกิดจากการขา ด, ดแคลนอัตคัตขัดสน ในเรื่องปัจจัยสี่เป็นต้นจึงทำให้เขาเห็นเรื่องการหาสตางนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จนไม่เห็นคุณค่าของการหาสติเพราะเขาไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวลาหรือไม่สนใจที่จะเข้าหานักปราชญ์อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หาคนฉลาดอย่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนที่จะบอกให้เขารู้ว่าสตางค์นี้ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ต้องใช้สติถึงจะดับความทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าเขามีโอกาสได้เขาวัดได้เข้าฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาธรรม โ ด, โดยเฉพาะทางสู่การดับความทุกข์ต่างๆเขาก็จะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของสติที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่าไม่มีธรรมไดที่มีความสำคัญเท่ากับสติเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิไม่มีสติก็จะไม่มีปัญญาไม่มีสติก็จะรักษาศีลไม่ได้ เป็นคนที่ไม่มีสติก็คือคนเสียสติคนบ้าหรือคนที่เสพสุรายาเมาแล้วขาดสติหรือคนนอนหลับหรือคนตายนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีสติเมื่อไม่มีสติแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรที่เป็นคุณเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้แก่จิตใจได้ จะให้มาทำบุญทำทานก็มาไม่ได้เช่นถ้าเดือนสุรายาเมาอยู่ตอนนี้ดถาการมึนเมาขึ้นมาก็จะไม่มาวัดมาทำบุญไม่มารักษาศีลไม่มาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะสอนให้เขารู้ถึงคุณค่าของการมีสติ ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าไม่มีสติแล้วชีวิตก็จะเหลวแหละเช่นคนเสียสติคนเสียสตินี่ไม่สามารถทำอะไรได้ให้เกิดคุณประโยชน์กับตนเองได้หรือเกิดคุณประโยชน์แก่ผู้ได้ต้องคอยอาศัยผู้คอยช่วยเหลือดูแลเหมือนเด็กทารก น, นี่คือ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจในการสร้างความรู้ความสามารถให้แก่จิตใจในการดับความทุกข์ต่างๆของจิตใจต้องมีสติเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นธรรมที่จําเป็นอย่างยิง่งองทรงเปรียบเทียบสติเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่มี่ในป่ารอยเท้าช้างนี่จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หม ด, หมดสติก็เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นธรรมที่สําคัญที่สุด ถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถเดินจเจริญมรรคได้มรมคก็คือหนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองต้องมีสติเป็นผู้นำทางจะรักษาศีลก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้จะนั่งสมาธิให้ใจนิ่งให้สงบก็ต้องมีสติ จะพิจารณาปัญญาไปในทางที่จะเอาความรู้มาดับความทุกข์ของใจได้ก็ต้องมีสติคอยกำกับคอยควบคุมความคิดให้คิดไปในทางของมรรคของการดับความทุกข์ต่างๆสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่า ของของโลกก็ได้ของตายพบก็ได้ของโลกทั้งสามเศรษีสัตโลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบในรูปรพบในอารมณ์พบเพราะไม่มีสติคอยยับยังคอยคอยควบคุมคอยบังคับจิตใจให้หยุดการ หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในตายครบนั่นเงเช่นให้หยุดความอยากหาความสุขจากการมุขุณทั้งห้าคือการมาปัญหาก mm hmm. ารจะหยุดได้ปัญหาได้นี้จำเป็นที่จะต้องมีสติและมีปัญญาคนทู่สอนใจให้เห็นโทษของการไปอยากได้ความ สจารูปเสียงกินรดถอดพระพาชนี้ต่างๆจะทำให้ติดกับรูปเสียงกินรถแล้วจะทำให้กลับมาเกิดในการมาพบอยู่ เ, เ, เรื่อยๆพะความอยากนี้ไม่สามารถทำให้เิดได้ความสุขอย่างยั่งยืนถาวรความสุขที่ได้จากการมคุณทั้งห้าจากรูปเสียงกินรดถอดพร เป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปได้ความสุขมาเดียวเดียวแล้วความสุขนั้นก็หายไป่อยให้ใจรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปี่ยวเดียวดายต้องหาต้องคอยหาลดเสียงจินลดมาเสรจอยู่เรื่อยๆเสรได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอยาเครื่องเือ ที่ใช้ในการเสพก็คือร่างกายก็มีอายุความมีอายุจํากัดไม่อยู่ไปตลอดพอร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปความอยากเสพโน้ตเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในใจก็ยังมีอยู่ต่อไปแล้วเป็นเหตุเป็นตัวที่ดึงให้จิตใจต้องไปได้ร่างกายอันใหม่ ไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่เพอที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากโลกเสียงกลิ่นรสต่างๆไปจึงเป็นที่มาแห่งการเยน่ายตายเกิดเยนไายตายเกิดอยู่ในการมาภพอยู่ในรูปภพและอยู่ในอรูปภพเพราะตันหาความอยากที่จะเส ความสุขกับสิ่งที่เป็นของชั่วคราวสิ่งที่ไม่ให้ความยั่งยืนสาไม่ไม่ยั่งยืนขาวรไม่ให้ความสุขแบบยั่งยืนถาวรนการที่จะละปัญหาความอยากต่างๆได้ น, นี้เบื้องต้นก็ต้องมีสติเป็นเป็นเครื่องมือก่อนต้องทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ ใ น, ในใจนิ่งใจสงบปัญหาความอยากต่างที่มีในใจก็จะพักตัวชั่วคราวแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเหล่าลนั้นก็จะหายไปชั่วคราวทําให้เกิดความสุขที่มาประจันใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นมา พอผู้ปฏิบัติได้เสร็จได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากควาสมสงบที่ได้จากการมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งไม่ให้ไปอยากได้อะไร<ม>ก็จะเห็นคุณค่าของสตินละจะพยายามเจริญสติให้มากยิ่งขึ้นไปตามลำดับเพ<ม>ื่อที่จะได้ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบ ได้ตลอดเวลาการใช้สติควบคุมใจให้นิ่งให้สงมนี้เป็นการควบคุมได้เป็นพักๆไปช่วงขณะที่เข้าไปในสมาธิขณะที่ใจนิ่งใจสงบหยุดคิดปรงแต่งความทุกข์ที่เกิดจากความอยากส่างๆก็จะพักตัวไว้ชั่วครา แต่เวลาออกจากสมาธิมาพอเส็จเริ่มคิดรงแต่งเริ่มสัมผั์รับรู้กับโู้เสียงกิตแน้โผลสะาัสชนิดต่างๆปัญหาความยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เพราะว่าสตินี้เป็นเหมือนกับขินทับยญาเวลามีสติทำสิทธให้สงบเป็นสมาธิ ก็เหมือนเราเอาห็นไปทับหญ้าไว้ไปทับความอยากไงหญ้าที่ถูกหินทับไว้ก็ไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้แต่พอยกหินออกจากห้าทิ้งไว้จังระยะหนึ่งหญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ทดันใดเวลาเข้าสมาธิด้วยสติก็เหมือนกับเอากําลังของสตินี้ไปกด ไปกดกิเลสตัมหาความโลภความอยากต่างๆนะความโลกความอยากต่างๆนี้ไม่สา ม, มารถทํางานได้แต่พอถอนสติถอนออกมาจากสมาธิผ่อนคลายสติให้จิตมีการคิดปรุงแต่งได้มีการสัมผัสรับรู้กับโลกเสียงสลิ่นรสต่างๆได้ความอยากที่ไกลเศษสัมผัสกับโลกเสียงกิกง่น ก็จะกลับมาอยากเลยคิดถึงรูปก็อยากจะดูรูปคิดถึงเสียงก็อยากจะฟังเสียงคิดถึงขนมก็อยากจะกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะจดื่มคิดถึงอาหารก็อยากจะรับประทานคิดถึงที่ท่องเที่ยวต่างก็อยากจะเลยท่องเชี่ยวเพราะว่าอํานาจของสติไม่สามารถที่จะทําให้ความอยากหายไปได้อย่างถาวร นายกที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญกับครูบาอาจารย์ต่างๆก็รู้เพียงแต่วิธีใช้สติควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดุงใจให้ระงับความทุกข์ไว้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆรับคิดเริ่มคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาคิดถึงความแก่ก็อยากไม่แก่คิดถึงความเจ็บไข้ได้ปวดก็ไม่อยากเจ็บไข้ได้ปวดคิดถึงความตายก็ไม่อยากตาย<ม>อยากอยู่อยากไม่เจ็บไข้ได้ปวดอยากแข็งแรง<ม>แต่พอไ ม, ไ, ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ใจก็เกิดความทุกขใ์ใจขึ้น่าทุกนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไร กับความทุกข์ต่างๆเวลาที่ออกจากสมาธ่มาไม่รู้ว่าเหตุของความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆหองใจเองครูตจ้าก็ส่งไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันท่านก็สอนแต่วิธีของการทำจิตให้สงบให้เข้าสมาธิแล้วก็จะสงบงระงับความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ ได้อย่างถาวรหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเมื่อไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปสุกผลค้นหาความจริงเอาเองตอนในที่สคยก็ท่งค้นพบว่าสาเหตุที่ใจทุกข์ก็เพราะความอยากนี่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตาย ความอยากเห่า น, นี้ที่ทำให้ใจทุกข์เพราะว่าไม่สามารถทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่ถ้ายอมรับความจริงว่าร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะมาเปลีป่ยนแปลงจาจะทาความจริงอันนี้ได้พอใจเห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงได้ แล้วครับความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายได้ความทุกข์ที่เคยมีในใจก็หายไปหมดเลยพระเจ้าเมื่อตัดสัลุพระอริยสัจขึ้นมาอริยรสัจสี่คือทุกข์ส ม, มุทัยนิโรจน์มาทุกข์ก็คือการความทุกข์ใจที่เกิดจากเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ส้นเหตุสาเหตุของความสนกใจนี้ก็เกิดจากกัญหาความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าอยากจะให้ความสุขหายใจหายไปก็ต้องมีปัญญามองให้เห็นความจริงของร่างกายให้เห็นธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยว เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีตัวตนไม่มีอยู่ภายใต้อำนาจของใครที่จะไปสั่งไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้เพราะร่างกายมันก็เป็นเหมือนปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้มันเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาแล้วพอมันเกิดขึ้นมามันก็มีเหตุปัจจัยที่ทาให้มันแก่มันเจ็บมันตายอันนี้ไม่มีใครสามารถไป ลบล้างกฎของธรรมชาติได้ไปเปลี่ยนให้ร่างกายที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ทาไม่ได้ไม่มีใครทาได้แต่สามารถทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับร่างกายได้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายได้ด้วยการหยุดความอยากทั้งเี้การหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือ ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเมื่อแก่ก็ยอมแก่เมื่อเจ็บไข้ได้ปวดก็ยอมปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ปวดไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ให้มันเจ็บไปให้มันถ้ามันจะตายถ้ามันไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไป <S <S ไนี่คือการเห็นความจริงการยอมรับความจริงยอมรับว่าร่างกายของคนทุกคน จะต้องแก่เจ็บตายไปอย่างแน่นอนไม่มีใครสามารถทำให้มันเป็นอย่างอื่นได้อพอใจยอมรับได้ฉะนั้นแหละใจปล่อยความอยากหนึปล่อยความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บไข้ไม่ปวดความอยากไม่ตายได้พอปล่อยได้ความทุกข์ที่เกิดจากความความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปเอง คมศัตรูาเลยของสัตว์กระลุ้อริยะสัตว์สีหรือว่าความทุกข์ใจเกิดจากการหาพางยาการที่จะทําให้ความทุกข์ใจดับไปก็ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นระบบเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นระบบของธรรมชาติที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากให้มันไม่ดับเกิดแล้วอยากจะให้มันไม่ดับพอมันจะดับก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นแต่พอเห็นตามกฎตามธรรมของธรรมชาติแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไปพอเห็นความจริงแล้วก็ไม่ฝกนความจริงยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทุกคนที่เกิดขึ้นมาต้องตายไปในวันใดวันหนึ่งแน่นอนพอยอมรับจัดจะทำความจริงอันนี้ได้ ความอยากก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปแล้วก็หายไปอย่างถาวรจะไม่กลับมาเหมือนความทุกข์ที่หายไปในขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาอยู่สมาธิความทุกข์หยุดไปชั่วคราวแต่พอจะสมาธิมาความทุกข์กลับมาใหม่ได้แต่ถ้าหายด้วยปัญญาหายด้วยความจริงการเห็นความจริงเห็นธรรมชาติ ที่แท้จริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างชัดเจนว่าเกิดแล้วก็ต้องดับอย่างแน่นอนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ยอมรับความจริงอันนี้ได้อย่างเต็มที่ยอมให้แก่ยอมให้เจ็บยอมให้ตายได้ความทุกข์ในใจนั้นก็จะหายไปนี่คือมรรคองค์มรรคองค์มรรค็คือองค์สติปัญญานี่ต้องมีสติ คอควบคุมใจให้คิดไปในทางของสัตว์ระทความจริงถ้าไม่มีสติจิตจะคิดไปในทางของของอวิชชาความหลงโลหะของความอยากเห็นร่างกายทีไรก็อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่มีสติแต่ถ้ามีสติสติจะคอยควบคุมใจให้เห็นร่างกายว่าเป็นเป็นของไม่เที่ยงเกินแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอน พอเห็นบ si <Yes. S 1> ่อยๆเห็นจะทั้งรู้ว่าไม่มีทางหนึ่งความอยากที่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหายไปก็จะหยุดไปพอรู้ว่าทํายังไงก็ทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ร่างกายเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพอยอมรับความจริงได้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหายไปพอความอยากไม่แก่ไม่เจ็บที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจหายไป ความทุกข์ก็หมดไปทันทีแต่ร่างกายก็ยังเปนเหมือนเดิมอ่ร่างกายยังแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจิตไม่ทุกข์กับมันแล้วทุกข์จิตจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตยายต่อไปเมื่อเห็นได้ปัญญาเมื่อดับความทุกข์ทางใจแล้วความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการใช้ปัญญานี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปประโยชน์ค้นจากความทุกข์ได้อย่างาหาวอน นคือเรื่องของคุณะความสำคัญของสติในการที่จะมาใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีภายในใจให้หมดสิ้นไปและสร้างความสุขอารยิ่งใหญ่ที่เป็นความสุขที่ไม่มีความสุขภายในที่จะยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบระรับ ของการหาความอยาก่างใจภายใต้อำนาจของสติและปัญญานี่แหละคือเรื่องทำไมนักบาชอย่างพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปทางโลกถ้าอยู่ในทางโลกตามพยากรณ์ของโหราจา์ก็บอกว่าจะได้เป็นท่ามหาจั ก, กรพรรดิแต่เป็นท่ามหาจักรพรรดิก็ยังต้องทุกข์กับทางแก่ทางเจ็บทางตายอยู่ พอพัฒนาจากความจะไม่รู้จักอริยสัจสี่จะไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้แต่พอออกบวชสละราชสมบัติอาบวชมาเจริญสติหาปุถุหาธรรมหาปัญญาก็าได้ตัดสุขเป็นพระอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพระอารมณ์สากดาที่หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยพระองค์เองและจะไม่มีการที่จะตั้งทุกข ติดต่อไปเพราะจะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติกต่อไปนี่แหละคือคุณค่าของสติที่พระเจ้าได้ส่งสอนให้ชาวพุทธเราเหมือนถึกมันเจริญกันอยู่เรื่อยๆอย่าไปเสียเวลากับการหาสติมากเกินความจําเป็นถ้ายังต้องมีสตางอย่าไปเสียเวลากับการหาสตางมากจนเกินไปถ้ายังจําเป็นจะต้องใช้สตางเพื่อมาเลี้ยงปางเลี้ยงท้อง ถ้หาพอประมาณก็พอพออยู่ได้ก็พอก็อกินพออยู่เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เหลืออยู่นี้มาให้กับการเจริญสติจะดีกว่าเพราะถ้ามีสตางอย่างเดียวไม่มีสตินี้ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้เลยเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้จะทุกข์อย่างมากมีสตังค์กี่ร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ แต่ห้มีสติที่ได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างต่อเนื่องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนี้จิตจะสงบจิตจะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตาย อ, อันนี้คือเรื่องของทำไมนักปราชญ์หรือคนฉลาดจึงหาสติคนฮะคนโง่าหาส ต, ตางค์เพราะว่าคนโง่คนโง่ไม่เห็นคุณค่าของสติเห็นคุณค่าแต่เห็นคุณคณ่าของสตางค์เพียอย่างเดียวแต่คนฉลาดนี้จะเห็นคุณค่าของสติ ยิ่งกว่าเห็นผุณค่าของสตางค์เราะรู้ว่าสตางค์นี่ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้ต้องสติเท่านั้นที่จะนำไปสู่การดับความทุกข์ทางใจได้นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝาชั้นในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาและขอยุติการสแสดงไว้เพียงเท่านี้เพอต่อไปนี้เราจะมาฝึกสติกันมาควบคุมสติมาควบคุมใจด้วยสติให้ตั้งมั่นอยู่กับ อารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพุทโธก็ได้จะเป็นการดูลมหายใจก็ได้จะเป็นการสวดมนต์ก็ได้หรือจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นที่เราใช้มาแล้วก็ได้ไม่จาเป็นต้องใช้ตามที่ที่แสดงไว้ณนะที่นี้บางคนใช้สมาหามก็ใช้สมาหลามได้บางคนใช้การดูลูกแก้วก็ดูลูกแก้วได้ สุดแท้แต่กรรมฐานที่เราเคยฝึกมาแล้วได้ผลดีก็ใช้กรรมฐานานั้นไปแต่แน่ๆก็คือเวลานั่งสมาธิต้องทำใจให้นิ่งให้สงบต้องมีสติคือการละเลิกรู้ให้ใจละเลึกรู้อยู่กับกรรมฐานเป็นอารมณ์ปลอบใจที่นี่ก็สอนให้ใช้ลมหายใจถ้าดูลมได้ก็ดูลมหรือถ้าชอบพุทโธก็บริกรรมพุทโธบางท่านชอบสองอย่าง วนกันก็ได้หายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทก็ได้บางท่านใช้อย่างเดียวก็ได้ใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้บางท่านใช้ดูลมอย่างเดียวก็ได้บางท่านยังดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุทโธไม่ได้เข้าใจคิดมากก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดไปจนก่าความคิดจะน้อยลงแล้วสามารถเปลี่ยนมาดูลมหรือมาบริกรรมพุทโธได้ค่อยเปลี่ยนมาแต่พอเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีก ถ้าดูลมแล้วก็ไม่ควรต้องไปเปลี่ยนอีกถ้าบริกรรมพุโทโธได้ก็อยู่พุโทโธไปแล้วแล้วลมหรือบริกรรมพุโทโธนี้จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ต่อไปเวลานั่งมีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ให้อยู่กับพุโทโธไปหรือให้อยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าไปตามรู้แล้วจะไม่สงบ พก็สิ่งที่รู้จะทําให้จิตต้องคิดปรุงแต่งไปตามรู้ไปเราไม่ต้องให้จิตคิดปรุงแต่งต้องการให้จิตนิ่งเฉยให้สักแตรร่รู้ให้ปีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวอยู่กับพุโทโธหรือมีอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ถ้าจิตยังไม่รวมอยากทิ้งพุทโธอยากทิ้งกรรมฐานสอดศีกับกรรมฐานไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมแล้วเข้าสู่ความสงบ เวลาเข้าสู่ความสงบจะรู้สึกตกมาจากที่สูงหรือตกมาจากขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดคือมันจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเย็นขึ้นแล้วก็นิ่งเฉยพอมันนิ่งเฉยแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่ประครับประคองใจให้นิ่งอยู่กับความสงบอย่าไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันหายนิ่งแล้วให้มันคิดปรุงแต่งขึ้นมาเอง ถึงจะค่อยเลือกนั่งสมาธิแต่ถ้าอยากจะนั่งต่อก็ดูลมใหม่หรือบริกรรมพุทโธใหม่ต่อก็ได้ถ้าต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณ 26-27 นาทีด้วยกันเวลาการนั่งสมาธิตอนนี้ก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าตอนนี้นั่งแล้วสงบไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อจิตก็จะสงบได้เหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบความอยากให้มันสงบจะไม่ทําให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องเช่นวันนี้ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังน้อยควนฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่ตื่นจนหลับใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆหรือคอยเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นการนั่งสมาธิจิต ก, ก็จะสงบได้มากขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาภูราปะริกุเริินติสากหลังเอวเมวะอิโตจินามเปตานังอุปกัรปฏิอิที่ตังภะที่ตังตุมหังคิดเปเมวาสมิจโตสัพเพภูรนตุสังปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติ ภราสุยธาสัพพิติยวิวัจฉันตุสัพโรโวินัสตุมัเตภวัตวันตระยุสุขีิตาโยโกปาวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุมโนสุขัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุกติจากทาง a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติสองร้อยหกสิบสองท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติสองร o อยแปดสิบยูทู u ด็อรวสามสิบเจ็ดับฮ์สองิทยุออนไลน์สามนักกุฏิหนึ่งร้อยสามสิบห้ารวมทั้งหมดเจ็ดรอสิบเก้าท่านค่ะ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเมื่อวันก่อนที่พระอาจารย์เทศเรื่องหน้าที่ของพระพุทธศาสนิกชนข้อที่หนึ่งศึกษา ศึกษาพระธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์สองปฏิบัติตามคำสอนสามข้อละบาปสร้างบุญกุศลชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สบรรลุธรรมขั้นต่างๆสี่เผยแผ่รธรรมที่ได้บรรลุให้แก่ผู้มีศรัทธาตรงข้อสี่นี่ถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมหรือถ้าเทียบทางโลกสมมตุติการบรรลุธรรมเหมือนเราจบดอกเตอร์ถ้าเรายังไม่ไม่ได้จบดอกเตอร์เราก็ไม่สอด เราก็ไม่สามารถสอนได้หรือเจ้าคะหรือสามารถสอนเท่าที่รู้ได้ไหมคะเหมือนพี่ปหกสอนน้องปสองแบบนี้เจ้าค่ะถ้าสอนแบบเป็นขั้งเป็นคราวไม่ได้เป็นจริงเป็นจังก็ได้อยู่เพราะหน้าที่หลักเรายังต้องเรียนต่อเรายังเรียนไม่จบเราต้องเรียนของเราให้จบก่อนเมื่อจบแล้วเราค่อยไปสอนอย่างเป็นกิจจลักษณะอย่างพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านถึงสอนสอนมาละสี่รอบ แต่ถ้ายังตอนที่ท่านยังไม่จบท่านยังไม่ตัดสั่งท่านไม่สอนใครเลยสอนบ้างนิดๆหน่อยๆใครมาถามก็อาจะาแนะนำแนวอะไรให้อาจจะไม่มาทำหน้าที่สั่งสอนเหลักหน้าที่ของท่านคือการศึกษาการปฏิบัติให้หลุดพ้นทำไมชอบสอนกันเหลือเกินสอนตัวเองไม่ไม่ชอบสอนชอบสอนคนอื่นชอบเป็นอาจารย์ ไม่ต้องกลัวเราเดี๋ยวได้สอนเ ร, เรียนให้มันจบก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์วิ่งเข้าหาแบบแบบน้ำไม่ไหวใช่ไแต่ถ้ายังเรียนไม่จบนี่ไปสอนเขาบางทีเข้ามาฟังคนเดียวเขาไม่กลับมาเลยก็มีสอนอะไรวะไม่เข้าใจออันอย่าเพิ่งใจอต่เพิ่งไปรีบร้อนสอนใครนะความอยากสอนคนอื่นนี่ก็เป็นกิเลสอย่างตันหาความอยากเราต้องการกำจัดนันครูบาอาจานี้ไม่อยากจะสอนใครเลยเนะ สอนเพราะว่ามีคนมาอนราธนามาขอร้องให้สอนเท้ามาหาพร ม, มาอนราธนาให้ปลุกเมตตาต่อสรรโลกด้วยตอนนั้นพระ เ, เจ้าบ็ขี่เกียสอนอยู่เฉยๆดีกว่าสบายไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะไม่ต้องการอะไรจากใครแล้วใจท่านอิมท่านพอแล้วท่านมีสมบัติอันล่ำเกล้าไม่มีใครจะเอาสมบัติอันใดที่เลื่องกว่าที่ท่านมีอยู่นี้มาให้กับท่านได้อันไรไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้น ลาบยศสารเสรื่อมสุกนี่ท่านไม่ต้องการถ้ามีพระนิพพานเดินทางสุขอย่าง<ม>ยิ่งดองน่านถ้ายังอยากจะสอนคนนั้นคนนี้อยู่สแสดงว่ายังมีกิเลสอยู่แต่สอนได้ถ้าเป็นเพื่อนปฏิบัติธรรมเขามีปัญหาแล้วพอจะรู้ช่วยเขาช่วยกันตอบได้ก็ช่วยกันได้อันนี้ไม่ได้มไม่ได้หมายควาว่าไม่ได้แต่<ม>ถ้าจะมานั่งตาตัวเป็นอาจารย์ไม่ปฏิบัติเองแล้วไม่เรียนเองแล้วอันนี้ไม่ควร ให้จบให้ให้จบด็อกเตอร์ก่อนเป็นด็อกเตอร์เต็มภูมิแล้วทีนี้ก็มานั่งสอนได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมีคำถามด้วยคำถามจากทางเฟซบุกค่ะ ยมมีบุตรชายเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเขาตัดสินใจจะลาออกเพื่อไปบวชยมขอให้เขาเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยบวชแต่เขายืนยันจะลาออกและสัปดาห์หน้านี้เขาต้องไปใช้สิทธิ์ผ่อนผันทหารของบอกว่าจะลาออกจากมหาวิทยาลัยเลยโดยไม่ใช้สิทธิ์ผ่อนผันแล้วจะไปจับใบดําใบแดงถ้าไปจับแล้วได้ใบแดงเขาก็ยอมรับได้แต่พ่อและแม่รวมทั้งญาติพี่น้องขอให้เขาเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยไปบวชและให้ใช้สิทธิผ่อนผันไปด้วย ครับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําบุตรชายในเรื่องนี้ด้วยครับสาธุคำดีคําถามนี้ถามมาแล้วแนละ้วตอบไปแล้วด้วยแต่ก็จะตอบอีกครั้งก็ได้ว่าเมื่อเรามีหน้าที่บอกเขาแล้วสอนเขาแล้วขอร้องเขาแล้วแต่ถ้าเขาไม่ฟังก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แนละ้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาถ้ามีคําถามสํารองไหมใครอยากจะมีสํารองเก็บไว้ในใจตอนนี้มีเวลาว่างให้ถามได้ การทำอะไรเนี่มั่งเชื่อเรื่องการบวชนี่อย่าเพิ่งไปตัดสินแบบอารมณ์น <Yeah. S 2> อารมณ์นี่มันเปลี่ยนได้พออยากจะบวชโอยทิ้งหมดทุกอย่างพอมาบวชทักไม่ไม่ถึงกี่เดือนเบื่อนะอยากจะสึกกันละ mm hmm. มีเยอแยะที่มาบวชแล้วอยู่ได้ไม่นาน mm hmm. เพราะว่า mm hmm. พอมาเจอกับชีวิตจริงของการเป็นนักบวชมันไม่มันไม่สวยงามอย่างที่คิดเลยมันไม่ง่ายอย่างที่คิด mm hmm. พอเจอภาษาต่างๆเจอกิเลสรุมเล่าเทนี้ก็โอ้โหไม่รู้จะเอาใจไปไว้ที่ไหนดีก็คิดทางออกทางเดียวกลับบ้านดีกว่าเงราถ้าจะบวชต้องมีความแน่วแน่มันม่นคงว่ยอมตายในผ้าเหลืองอย่างเงี้ยจะทุกข์ทรมานอย่างไรก็จะไม่สึกนี้ยอยาจะทําทอย่างนี้ได้ตัง้งใจต้องมีธรรมะต้องมีมีมมหลักธรรมอยู่ในใจแล้วถ้ายังไม่มีหลักธรรมอยู่ในใจนี่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวผ้าเหลืองมันร้อน ถ้าที่มีหลักธรรมมีสมาธิอยู่แล้วนี่ใจมันจะเย็นมันจะสบายมันสามารถที่จะใช้สมาธินี้สู้กับกิเลสได้เวลากิเลสเข้ามารุมเราโอเค Yes, uh, dear Chan, I have questions. Um, so during my practice now I can observe the mind more clearly and I can see the um, subtle refinement. Kilesa, like deep kilesa, better. But I don't know how to deal with it. Sometimes it's very strong, and I just observe and let it go. But then it's come back again, like that. It's like the circle. So, do you have any advice for how to deal with the subtle kilesa? You have to meditate more. Your strength is not strong enough to stop your defilement yet. So you have to meditate more, get into jhana, stay in jhana for a long, long time before you can come out. And then you have to use wisdom to teach that everything is anicca dukkha a n o t t a and you can stop your defilement. So have to go to jhana. Yes, yes. o e l s e you cannot stop your defilement. Because um, now, like I follow the practice of um, uh, tradition in Myanmar, which is like pure vipassana. Yeah. So um, they not emphasize on jhana. Uh, If we can contemplate the defilement continuously in daily life uh, with the with the um, momentum. Uh, samadhi, momentum, concentration, it is, pure vipassana. So I also have a question about: Do I have to go to jhana or not, like that? Because uh, it, it's different way. So if so I can recommend, you follow the Buddha's way. The Buddha had jhana first before he go to pure vipassana. He had to have jhana first. He t a d Jana first before Yigotavi Pasana, Sila, Samadhi, Panya. I don't know why you want to skip Samadhi. For you cannot skip. You have to go step by step. Keep the precept, then go to practice Jana to get to Samadhi. Once you get to Samadhi, then you can go to wisdom Panya. So uh, if I want to find a place to. Practice the samadhi. You know, where would you recommend? I don't know. I, uh, I recommend you look for yourself. Thank But you. Look for the a h a n a n tradition temple. All a j a n a n tradition temple will teach h a n a first before wisdom. Yes. Thank you, a c h a h n okay. I heard there's a, a German monk. He studied with Ajahn m a h a b u d and he had a monastery in Udon Thani. Ajahn Martin. Look, you can go and try the Ajahn Martin. Search in the in the internet Ajahn Martin. You'll find his monastery in Udon Thani. I heard there are several. Female practitioner, the foreign tradition, foreign practitioner. Maybe you can go try. t h Is. Ajarn Martin M A R T I N. Udon. Uh, Udon Tham. Ah, thank you. Question f r Facebook, p l e a บางทีโยมก็แพ้ต่อกิเลสแต่โยมระลึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยาอดอาหารอดข้าวจนผอมเพื่อจะได้ธรรมะ ม, มาสอนคนให้พ้นทุกโยมก็ชนะกิเลสโดยการข่มใจปฏิบัติแบบนี้พอได้ไหมเจ้าคะแล้วแต่คุณน่ถ้ามันได้ผลก็ก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้ผลก็ใช้ไม่ได้ คำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะขอคำแนะนำการเป็นคราวารวะต้องยึดหลักในการดำารงชีวิตเพื่อไม่ให้ถูกเกินไปในโลกปัจจุบันนี้เจ้าค่ะก็าปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยนะทำบุญทำทานเป็นปกติมีมากมีน้อยก็ทำทำได้ทุกวันจะดีใส่บาตรทุกวันได้ก็ดีใจจะได้มีความสุขจากการทาบุญแล้วก็รักษาศีลห้าวันผ้าก็รักษาศีลแปด นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปก่อนนี่เป็นการพระเป็นการปฏิบัติขั้นเริ่มต้นแล้วค่อยเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นทําให้ทำให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะคุณปู่ผู้เป็นญาติสนิทที่สุดในชีวิตของหนูตายจากไปเคยคิดว่าตัวเองเข้าใจหลักไตรลักษณ์ดีแล้วการพลดพราคเป็นธรรมดาของชีวิตแต่พอเกิดเหตุการณ์จริงกับตัวเองห่งเศร้าเสียใจร้องไห้อยู่ทุกวันทำอย่างไรดีคะต้องทาสมาธิต้องทาใจให้สงบแล้วความเศร้าโศกเสียใจก็จะหายไปชั่วคราวคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ในการปฏิบัติเช่นการดูลมหายใจท้องพุโทโธควรเพ่งขนาดไหนจึงจะพอดีฟังเทศครูอาจารย์รูปหนึ่งท่านให้ต้องเพ่งเสมอในการภาวนาไม่ปล่อยความคิดให้ออกมาเลยอย่างไรจึงเรียกว่าพอดีขอขอบพระคุณเจ้าค่ะก็พอดีก็ตามกำลังของเราเนี่ยเราทำได้เท่าไหร่เราก็ทาไปเท่านั้นดูลมไปใ ห, ให้เพ่งกับดูลมไปอย่างเดียวหรือถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธไปอย่างเดียว จะมีความคิดมากน้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปล่อยให้มันคิดไปก่อนแต่เราให้มีอะไรเกาะใจไว้ก็แล้วกันมีกรรมฐานมีพุโทโธแล้วมีลมหายใจเกาะใจไปแล้วต่อไปถ้าสติเราดีขึ้นความคิดก็จะเบาลงน้อยลงไปเอง คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะโยมอยากลงทุนในหุ้นเพื่อเป็นเงินสำรองตอนกเกษียณเราจะวางใจยังไงเพื่อไม่ให้กลายเป็นกิเลสเป็นความโลภเจ้าคะก็อย่าไปลงทุนเก็บไว้ฝังดินดีกว่าคำถามจากทางเ c e b o o k ค่ะเทวดาพรมเปรตอสุรกายมีขันห้าไหมครับไม่มีพวกนี้เป็นกายทิพย์มีแค่ขันสี่ มีนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้มีรูปประขันอย่างมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานที่มีรูปประขันเพิ่ม <c oughs> เพิ่มขึ้น ม, มาอีกอีกขันหนึ่งเป็นขันห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะพระโสดาบันยังชอบกินไหมเจ้าคะเดี๋ยวรอเป็นแล้วก็จะรู้เองถามอะไรวิรู้ถามวิธีปฏิบัติให้เป็นโสดาบันดีกว่านะ ไปแล้วจะรู้เองไม่ต้องมาถามใครอาวมาแล้วคําถามคาลองกรามนรมาสการพระอาจารย์ค่ะโยมมีคําถามสงสัยอีกแล้วจ้าค่ะคือที่โยมได้เคยฟังนิทานอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมของพระสาวกต่างๆอ่ะคะ่ะมีบางท่านกล่าวว่าไม่จําเป็นต้องมีสมาธิเลยอันนี้เกี่ยวไหมคะ มันมันเกี่ยวสิมันต้องมีถึงแต่ว่าเขาอาจจะมีมาก่อนแล้วเขาเลยไม่ต้องมาฝึกสมาธิใหม่เข้าใจนะตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกท่านก็ไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิท่านสอนปัญญาเลยพิปัสนาเลยกับพระปัญจวัคคีแต่พระปัญจวัคคีท่านสําเร็จฌานมาแล้วท่านในฌานมาแล้วไม่ต้องมาสอนให้นั่งฌานนั่งสมาธิก็เลยไม่สอนแต่ต้องมีมรรคแปดมีสมาสติสัมมาสมาธิแล้วค่อยไปสมาทิฏฐิสมา ส, มาสมาังกัปโปเป็นปัญญา ค่ะแสดงว่าเขาเขาสร้างเหตุไว้ก่อนแล้วก็มีแล้วเขามีสมาธิมั น, ม, นมันถึ ง, ง พ, รพร้อมแล้วคนจบแปแล้วไม่ต้องไปเรียนใหม่เข้ามหาลัยได้เลยอ๋อเจ้าค่ะแต่คนที่ยังไม่จบแปดนี้ก็ต้องไปเรียนก่อนเรียนให้จบแปดก่อนแล้วให้เขาเข า, เขาเอ็นทันเข้ามหาลัยต่อเด็กบางคนเขาก็สอบเอ็นทานได้เขาก็ข้ามไปเลยแสดงว่าเขามีภูมิแล้วอ๋อเจ้าค่ะอะแล้วมีบางท่านบอกว่าการนั่งสมาธิ บางครั้งเวลาออกจากสมาธิแล้วไ ป, ปเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจก็จะมีอารมณ์โมโหง่ายเพราะว่าสมาธิแรงออันนี้จริงไหมคะไม่จริงหรอถาถ้าสมาธิแรงอารมณ์ไม่เกิดที่มันเกิดเพราะาสมาธิมันหมดแล้วไงพอออกมาแล้วไม่ไม่รักษาต่อไม่เจริญสติตอ่อปล่อยปลยประตูเปิดโล่งกิเลว่าเข้ามาแรงเลยที แต่ถ้าเราออกมาจา ก, จ อ, อ, กออกจากสมาธิมาแล้วเรายังต้องควบคุมใจต่ อ, อยังต้องพุทโธพุทโธต่ออนี้มันก็จะไม่มีกิเลสออกมาได้แรงออกมาบ้างแต่มันจะเบามันจะน้อย<า>ไม่ใช่เฉาไม่ใช่มีสติเฉพาะเวลานั่งสมาธิออกจากสมาธิก็ทิ้งสติไปเลยไม่ใช่ออกมาจากสมาธิก็ต้องรักษาสติต่อไปอยงเข้าใจว่านั่งสมาธิพอออกมาปุ๊บ เราก็ทําอะไรก็ได้อย่างนี้ไงคะ<า>ไว้ได้รักษาไงคะวันเลยก็ไม่รักษาที่เหลือก็เลยเข้ามาเต็มที่เลยใช่เจ้าค่ะ โ, <อ>โกรธโกรธเต็มที่เลยโกรธเต็มที่เจ้าค่ะ<อ>แล้วมีอีกอย่างหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์อะไรละ่ะลืมละ เ, เราเคยคิดว่าเรามีปัญญามากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอสุนัขเสียตายเนี่ยค่ะร้องไห้คือไม่ได้เกิดปัญญาเลยมันเกิดจากสมาธิเราน้อยใช่ไหมคะ าว่าทั้งน้อยทั้งปัญญาก็น้อยปัญญายัางไม่ลึกซึ้งยังไม่ได้คิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากลายเป็นสัญญาลืมไปแล้วเกิดแล้วต้องตายลืมไปแล้ถ้ามีปัญญามันจะไม่ลืมทุกสิ่งที่อย่างเกิดแล้วจะต้องตายถ้ามีปัญญาเห็นทุกอย่างต้องตายตลอดเวลาเวลาอะไรตายก็จะรู้สึกเฉยเฉได้เอออย่างเราไปเจออุบัติเหตุน่าสยดสยองอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเรายังมีความกลัว ในสิ่งที่เจอนี่คือยังไม่แน่นใช่ไหมเจ้าคะ่ะปัญญายังไม่ยังไม่ยังไม่ตลอดเวลาทั้งปัญญาทั้งสมาธิเลย<อ>ใช่ไหมเจ้าค่ะบองอย่างอาจจะมีสมาธิก็ได้แต่อาจจะยังมีความรู้สึกเข้าใจอยู่ก็ยังเป็นเรื่องของปัญญาอยู่เจ้าค่ะแล้วแล้วถ้าเราเจอในเหตุการณ์นั้นแล้วแบบเราเหมือนเจอกับวิญญาณที่เขาเหมือนมาขอส่วนบุญเราตอนที่เราจะไปทําบุญอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นเพราะเราคิดไปเองหรือว่ามันอาจจะใช่ค่ะมันมีอาการขนลุก เต้องคุยกับเขาได้ถามว่าเขาเป็นใครมาอย่างไหนอ๋อจาต้องอย่างนั้นเลยเชื่อเจ้าคะมันอาจจะเป็นจากการปรุงแต่งของจิตเราใช่ไหมเจ้าคะใช่ต้องคุยกันได้ว่าเป็นแม่มาก่อนเป็นพ่อมาก่อนหรืออะไรมาเยี่ยมเยียนลูกหลานในต้องเอาอย่างนั้นต้องอย่างนั้นถึะเองจริงอ๋อต้องอย่างนั้นจริงๆริงโอเคแสดงว่านี่ที่แบบผ่านมานี่เกิดจากการปรุงแต่งของหนูลุนเลยกล่าวขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ คำถามคำถามจากทาง Facebook ค่ะโยมเห็นว่าส่วนใหญ่โยมจะอยู่ในอารมณ์สามอย่างนี้คือโลภโกรธหลงนานๆโยมจะรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์แต่โยมจะรู้ตัวเมื่อโกรธหรือโลภเจ้าค่ะตอนหลังโยมรู้สึกเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เพราะเห็นว่าเขาต้องเป็นธาตุกิเลสโลภโกรธหลงซึ่งทําให้เป็นทุกข์จึงเมตตาเขาเจ้าค่ะอย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าคะถ้ามีเมตตาก็ถูกต้องแต่มันต้องมีเมตตาตลอดเวลา ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเกียตเฉพาะคนสัตว์เปนสัตตาต้องสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดเวลาคำถามจากทางยู u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเหตุใดสัตว์นรกไม่มีธาตุขันจึงรับทุกเขเวทนามากคะก็แบบที่เรานอนหลับแล้วฝันร้ายฝันร้ายนี่บางทีตืน่นก็บางเรือแตกพากเอันนั้นหละกำลังไปเยี่ยมนรกกัน คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะยังมีความโกรธเพื่อนผุดขึ้นในขณะภาวนาขอแนวทางการให้การใช้ปัญญาเพื่อตัดรากถอนคนความโกรธเพื่อนเจ้าค่ะออตอนนั่งสมาธิไม่ต้องใช้ปัญญาใ ช, ใช้ใช้สติก็พอกลับมาที่พุโทโธนอกที่ลมที่เราผูกใจไว้อย่าไปสนใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปคำถามจากทาง facebook ค่ะ ระหว่างการทำบุญกับผู้มีศีลกับการสงเคราะห์สัตว์หรือผู้ยากไร้คนพิการอะไรได้บุญมากกว่ากันเจ้าค้าทำบุญแต่ละครั้งมันมีประโยชน์สอ ง, ง, งชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งคือประโยชน์ที่ได้จากการเสียสละเสียเงินน้อยบาทให้กับหมาให้กับพระนี่ก็ได้บุญเท่ากันให้ความรู้สึกมีความสุขใจอินใจเท่ากันแต่ประโยชน์ชั้นที่สองที่จะได้จากหมาหรือจากพระไม่เหมือนกันเลี้ยงหมามามาันก็ห่าเข้าบ้านให้เรา เรืงพระท่านกธทรมาสอนเราอันนี้ไม่เหมือนกันเขนะ้านะไหาคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะคนส่วนมากจะเป็นทุกข์เพราะสังขารขันการที่จะพ้นทุกข์จากสังขารขันต้องใช้วิธีภาวนาเจริญสมาธิเนืองๆให้เป็นว ส, สีใช่ไหมครับแต่จะให้ปลดเปลื้องทุกข์แบบถาวรต้องอาศัยกำลังสมาธิเป็นบาฐานเพื่อเข้าเจริญวิปัสนาใช่ไหมครับ ก็ต้องมองเห็นตายรักต้องคิดไปนานทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเึง่จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้หมดแล้วใช่ไหมยังไม่มีคำถามไม่ยาวแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ